ก่อนจากฉันไปก็อยากจะขอร้องเธอสักครัง้งคอยเดินจากไปช้าๆกลับที่เวลายังพอมีอยู่อยากจะเฝ้ามองดูภาพเธอจนนาทีสุดท้ายคอยเดินจากไปด้วยดีอยากให้เธอโชคอมี ทุกๆวันที่ดีมีเธอที่งดงามเมื่อเธอเดินจากฉันไปฉันเข้าใจ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 เธอที่งดงามอย่ากอยู่ทุกวันนี้เธอที่งดงาม